ต่อมาเมื่อสั่งสมประสบการณ์และพละงกำลังมากขึ้นในที่สุดเมื่อต้องนับหนึ่งใหม่ก็จะก้าวถึงสิบเร็วขึ้นกว่าเมื่อครั้งยังต่อแตกมากขอให้จำไว้อย่างขึ้นใจว่าผู้ภาวนามีแตกขึ้นกลับขึ้นอย่างเดียวไม่ตกลงเลยนั้นไม่มีอย่างไรก็ตามขอให้สารวจดีๆ ด, ด้วยว่าถ้าตกบ่อยนั้น จะเป็นเหตุมาจากความปล่อยปละละเลยไม่สำรวมนิวรไม่พยายามกำจัดนิวรประเภทต่างๆหรือเปล่าหากพบตามจริงว่าเราถูกนิวรกักตัวไว้ไม่ยอมให้ก้าวหน้าไปไหนก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกว่าจะเอาดีหรือไม่ถ้าเลือกเอาทางดีก็ต้องฝืนทวนกระแสกันหน่อย พยายามตามอุบายวิธีกำจัดนิวรณที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้ดีแล้วในนิวรณระบับวิปัสสนปกิเลส วิปัสสโนปกิเลสเป็นบัญญัติใหม่กล่าวคือไม่ใช่ไม่ใช่คาที่พระพุทธองค์บัญญัติไว้แต่ว่าเป็นสิ่งที่พบการดาดื่นในวงภาวนาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและแน่นอนว่าจะมีต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นจึงต้องถือว่าเป็นสิ่งมีจริงกับทั้งสมควรทราบว่า ข้าพีเช่นไรจึงผ่านวิปัสสนูปกิเลสไปได้วิปัสสนูปกิเลสก็คือกิเลสอย่างหนึ่งอันมีผลมาจากการปฏิบัติวิปัสนาสิ่งที่ทําให้เกิดกิเลสชนิดนี้ก็คือผลของการปฏิบัติวิปัสนาอย่างถูกต้องที่ต้องเน้นว่าอย่างถูกต้องเพราะหากปฏิบัติไม่ถูกต้องควรจะแยกเรียกกันใหม่เป็นกิเลสชนิดอื่นเช่น บางคนปฏิบัติแนวอื่นที่ไม่ใช่ใชสติปัฏฐานแต่อาจนึกว่าเป็นสติปัฏฐานแล้วเกิดนิมิตเกิดโอภาษเกิดปรากฏภายในหรือภายนอกต่างๆประเภทมีเสียงสาธุการว่าเป็นนั่นเป็นนี่อย่างนี้ไม่ใช่วิปัสโนกิเลสทว่าเป็นกิเลสอันเกิดจากความรู้ความเข้าใจที่ผิดพลาดตั้งแต่ก้าวแรก สภาพดีดีและปรากฏดีๆจากการปฏิบัติวิปัสนาอย่างถูกต้องนั้นก็มีอยู่หลากหลายบ่อยครั้งที่ทําให้เราเข้าข้างตัวเองว่านี่คือมรรคผลหรื อ, อย่งน้อยที่สุดก็เป็นตัวดึงเราไว้ไม่ให้ถึงมรรคผลจริงๆกล่าวคือเมื่อเหมาสรุปว่าเกิดปรากฏการดังกล่าวครั้งหนึ่งหมายถึงมรรคผลขั้นแรกเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดครบสี่ครั้งเมื่อไรก็คือสำเร็จอรหัตผลไม่จาเป็นจะต้องปฏิบัติใดๆต่ออีกนักว่าความเสียหายหลายประการประการแรกเสียกับตัวเองคือเลิกเดินทางทั้งที่ยังไม่ถึงจุดหมายประการที่สองเสียกับคนอื่นคือเราอาจนำไปบอกต่อให้เขาเข้าใจคลาดเคลื่อนตามว่านี่คือมรรคผล ขอเพียงปฏิบัติตามเราได้ผลแบบเราก็เป็นอันว่าใจเหมือนกันอีกทั้งเมื่อเราประพฤติปฏิบัติไม่อยู่ในร่องในรอยของความเป็นอริยบุคคลในนิยามของพระพุทธศาสนาคนก็จะพากันเสื่อมศรัทธาไปถึงพระศาสนาด้วยและก็ต้องทำความเข้าใจแยกแ ย, ยะอีกประการหนึง่งคือแง่ความละไม้กัน ระหว่างนิวรณ์กับวิปสัสสโนปกิเลสวิปสัสสโนปกิเลสไม่ใช่นิวรณ์ถ้านิวรณ์คือเครื่องขวางไม่ใช่เริ่มก้าวไปถึงที่ที่ดีวิปสัสสโนปกิเลสก็เป็นเครื่องล่อให้ผู้ที่ก้าวมาถึงที่ที่ดีติดกับหลงวนอยู่ตรงนั้น สมัยนี้ส่วนใหญ่ใครภาวนาแล้วเกิดเจออะไรร้ายๆมีปรากฏหลอกร้อนต่างๆก็จะหมาว่าเป็นวิปัสสนูปกิเลเสียหมดทั้งๆที่เป็นการปรุงแต่งอันเกิดจากสมถะธรรมดาแง่ที่ต่างกันเป็นขาวกับดำก็คือนิวรจะทำหน้าที่ขวางไม่ให้ปฏิบัติแม้พยายามปฏิบัติก็ปฏิบัติอย่างเศร้าหมอง ปิดกั้นมรรคผลนิพพานในช่วงขณะที่ถูกนิวรครอบงำนั้นทว่าปรากฏการทังจิตอันก่อให้เกิดวิปัสสนูปกกเลสเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วหล่อเลี้ยงให้เราภาวนาได้ราบรื่นขึ้นอำหนวยให้รู้เห็นภายในใจเป็นสภาวะทำได้นานและแจ่มชัดยิ่งจึงได้สามารถเกื้อหนุนให้ถึงมรรคผลนิพพานขอเพียงดาเนินจิตให้มีสติรู้ เพื่อปล่อยวางอย่างถูกต้องแท้จริงอีกนิดเพราะฉะนั้นถ้าหากเราเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าอย่างดีกิเลส จากผลดีของวิปัสสนาก็ไม่เกิดคือถ้ามีแต่สภาพอันเป็นผลถ่ายเดียวก็ไม่สมควรเรียกว่าเป็นวิปัสโนปกิเลสบางคนศึกษาเรื่องวิปัสโนปกิเลสแล้วคิดไปว่าน่าจะเป็นปรากฏการที่มาจากการนั่งสมาธิเพราะฉะนั้นหากเกลีดเลี้ยงการนั่งสมาธิเสียก็จะได้ไม่ต้องเกิดวิปัสโนปกิเลสอันนี้ก็นับว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เมื่อศึกษาวิปัสสนูปกิเล์ครบทุกข้อแล้วอาจจะพบความสอดคล้องกับที่ตนเองกําลังประสบแต่หากพบสภาพที่ไม่ทราบชัดเข้าข่ายวิพัสสนูปกเล์หรือเปล่าก็ขอให้เทียบเขียงเอาชนิดใกล้ที่สุดกับธรรมดาวิปัสสนูปกิเล์เหล่านี้หนึ่งโอภาสคือแสงสว่างดังที่แสดงไว้แล้วว่าพระพุทธเจ้า ให้เจริญอโลกสัญญาเพื่อแก้งง่วงนั้นก็จัดว่าเป็นการฝึกเห็นแสงเหมือนกันแต่แสงแบบอโลกสัญญาเป็นสมถะคือจงใจนึกให้เกิดเลยทีเดียวหาใช้แสงอันเกิดจากงานวิปัสนาไม่สำหรับโอภาษอันเป็นวิปัสโนปกิเลสนั้นอาจเกิดขึ้นเมื่อเราเจริญกรรมฐาน บางอย่างเช่นอสุภกรรมฐานเมื่อเห็นกายเป็นศักแต่ว่าโครงกระดูกฉาบเนื้อรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวตนแจ่มชัดอาจปรากฏดวงสว่างภายในกายเป็นแสงใสเย็นใจบางทีก็เป็นดวงแก้วมีรัศมีงามเจิดจ้าบางคนก็ไปจับเข้ากับนิมิตสว่างดังกล่าวแล้วเกิดความติดใจ เพลินหลงแล้วเกิดความปรุงแต่งว่าเป็นพระพุทธรูปบ้างเป็นภาคใหม่ที่ซ้อนในกายบ้างพิสดารได้ไม่รู้จบอันนั้นก็คือการพลิกออกจากวิปัสสนาเข้าไปสู่กับดักของสมถะเต็มตัว เมื่อฝึกภาวนาเห็นแสงได้คงที่แล้วบางคนน้อมเข้ามาในจิตแล้วก็เห็นจิตตนเองเรืองแสงแม้ลืมตาก็อยู่ในภาวะความเห็นเช่นนั้นได้เมื่อเห็นของตัวเองก็เห็นของคนอื่นอย่างทราบจากความรู้ภายในว่ารัศมีของมนุษย์นั้นแตกต่างกันและอาจจะแปรไปขณะคิดพูดทำกิจ อันเป็นกุศลหรือว่าอากุศลแรงๆเช่นเห็นให้เกิดความเกรงบาปได้เหมือนกันบางทีเห็นมากๆแล้วยึดรัศมีกายเป็นเกณฑ์ตัดสินอะไรต่ออะไรหมดก็ชวนหลงเข้าใจผิดชนิดเข้ารกเข้าพงได้ง่ายเหมือนกันเช่นสำรวจดูรัศมีตัวเองบริสุทธิ์ดีกี่วันกี่วั น, วนไม่เคลื่อนจากความเป็นเช่นนั้น ก็ผ่านเข้าใจว่านั่นคือเครื่องหมายแสดงความถึงมรรคผลหรือไม่ก็จำรัศมีของบุคคลที่เชื่อถือว่าเป็นอริยบุคคลนาไปเปรียบเทียบกับกาลยาณชนบางรายและก็คล้ายกันก็ไปตัดสินว่าเขาเป็นอริยบุคคลทั้งที่ควรจะเป็นอริยะนั้นไม่ใช่ตัดสินแค่แสงมากแสงน้อยแสงงามหรือแสงหม่น แต่เอากันที่ความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตนเป็นตัวตนซึ่งต้องดูลงไปถึงฐานของจิตว่าทะลุแล้วหรือยังอันนี้ก็เห็นยากกว่าแสงมากและก็ต้องด้วยคนที่ผ่านจุดนั้นมาแล้วก็จะสามารถเทียบเคียงตรวจวัดกันได้ด้วยจิตถึงจิตแสงที่เกิดจากจิตอันทมกกำลังนั้น บางทีทำให้เกิดความรู้ความเห็นได้สารพัดเช่นแม้นั่งอยู่ในห้องที่ปิดไฟมืดสนิทก็เหมือนเปิดตาขึ้นมองเห็นกระจ่างไปทั่วอยากรู้ซอกไหนมุมไหนก็เปิดเผยเราวกับลุกขึ้นเอาไฟใายไปส่องดูแถมเมื่อถอนสมาธิไปพิสูจน์ก็พบอะไรอย่างนั้นจริงๆขอให้ทราบว่าแสง อันนำความรู้ความเห็นชนิดนี้อาจเกิดขึ้นขณะเจริญสมถะหรือวิปัสสนาก็ได้แต่แสงที่เกิดจากวิปัสสนาจะส่องให้เห็นเที่ยงตรงชัดเจนว่าออกมาจากจิตเองอย่างเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของจิตที่อบรมปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ย่อมมีคุณภาพมีความเป็นกลางกว่ากันเยอะ และนั่นเองเมื่อมีคุณภาพสูงกว่าก็ยอ่อมเผลติดใจได้มากกว่าทางที่ดีจึงควรระลึกว่าแสงนั้นดีถ้ามีไว้ดูเข้ามาภายในกายเพื่อพิจารณาให้เห็นเป็นปฏิกูลบ้างเป็นธาตุบ้างเป็นศพบ้างตามแนวกายานุปัสนาชั้นสูงหากนำมาใช้อย่างถูกทางแล้ว แสงก็จะไม่เป็นโทษต่อวิปัสสนาแต่อย่างใดเลยเพราะกิจของแสงแห่งพุท ธ, ธิปัญญาที่แท้จริงคือไม่ทำให้เกิดโมหะลุ่มหลงอย่างเด็ดขาดและเพื่อให้ครบถ้วนบริบูรณ์ในเรื่องของแสงก็ควรกล่าวไว้นะที่นี้ว่าแสงอันเป็นปัญญาเกิดจากมรรคนั้นมีอยู่จริงดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้หลายแห่งเกี่ยวกับการบรรลุ ธ, ธรรม เช่นในธรรมจักรกับปวัตนสูตรพระวินัยปิฎกเล่มที่สี่บ่งลักษณะของมรรคผลคือดวงตาเกิดขึ้นแล้วยามเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วอันนี้ฟังดูเผลนอาจจะเห็นว่าแสงสว่างคือการเปรียบเทียบ แต่ที่แท้เป็นแสงอีกชนิดหนึ่งจริงๆกล่าวคือเมื่อกำลังปัญญาแก่กล้าขนาดปล่อยวางรูปและนามได้นั้นปัญญาจะปรากฏเป็นธรรมชาติจำแรกรูปนามที่ห่อหุ้มจิตออกไปแล้วพบกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้วนๆคืินิพพานอันไม่มีเหยื่อหรือว่าอะไร สักนิดเดียวที่จะกล่าวได้ว่าเป็นลักษณะของรูปหรือน้ำเมื่อเข้าถึงนิพพานแล้วสองสามขณะจิตจึงได้เกิดแสงสว่างผุดโผล่ขึ้นจากความไม่มีอะไรเลยแล้วจิตจะตกพวังชนิดหนึ่งเมื่อย้อนกลับมาสู่ภาวะสำนึ ก, กรู้จิตจึงเบิกบานอย่างปราศจากขอบเขตในการตรัสรู้ธรรม เกณนวัดผลจึงไม่ใช่เอาความสำคัญกันแสงเพราะขณะของการถึงมรรคผลนั้นมีอะไรวิเศษกว่าแสงมากเช่นการเข้ารู้ธรรมชาติบริสุทธิ์คือนิพพานครั้งแรกซึ่งจิตจะทะลุ ก, กายใจไปรู้ไม่ได้เลยหากยังไม่ทิ้งความยึดว่ากายใจนี้เป็นตัวเราและที่จิตทิ้งความยึดมั่นถือมั่นได ก็คือต้องเจริญสติตามแนวสติปัฏฐานจนเกิดกำลังปัญญากแก่กล้าพอจะชำระสิ่งที่บทบังความเห็นของจิตนั่นเองผู้ตรัสรุธรรมจริงด้วยการปฏิบัติเห็นผลมาตามลำดับขั้นของสติปัฏฐานสจะมีความเห็นแจ้งในทามที่บรรลุแล้วนี่คือข้อแตกต่างที่เปรียบเทียบได้ชัดเจน กับผู้ที่เกิดโอภาษแล้วเข้าข้างตัวเองว่าเป็นการบรรลุ ธ, ธรรมผู้เกิดวิปัสสโนปกิเลสจะมีความคลางแครงอยู่ในส่วนลึกเพราะไร้ธรรมชาติในตนเองเป็นพยานยืนยันว่าการบรรลุ ธ, ธรรมของตนคือของจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับความยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดสิ่งหนึง่งอันเป็นอัตตาตัวตน หากศึกษาธรรมมาดีและมีความเชื่อหวังหลุดพ้นก็จะทราบได้ในขณะสำรวจตนเองผ่านการรู้กายเวทนาจิตธรรมนั่นเองพูดถึงธรรมจริงจึงไม่รู้สึกด้วยซ้าว่าตนเป็นอะไรหรืออริยเจ้าขั้นไหนเมื่อเห็นธรรมในตนแล้วก็ย่อมรู้สึกแค่กายใจสักแต่เป็นของเปล่าสักแต่เป็นธรรมที่ปราศจากเรา ปราศจากใครไหนทั้งนั้นส่วนผู้ที่ติดวิปัสสโนภิกเลสจะมั่นท่องอยู่เสมอว่าเป็นเราเป็นอริยบุคคลซึ่งนั่นเป็นลักษณะมุ่งชัดของความยึดมั่นถือมั่นเห็นภาวะอริยบุคคลอยู่ในกายหรือเวทนาหรือในสภาวะจิตกองนี้ 2. ปิติคือความอิ่มใจ คือความเบิกบานปรีดาปราโมชอันยอดเยี่ยมหากใครผ่านปิติอันเป็นองค์ฌานมาก่อนจึงเข้าใจว่าปิติที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนาอย่างถูกต้องนั้นแตกต่างกันอย่างไรในแง่ของต้นกําเนิดปิติลราวคือถ้าหากเป็นปิติอันเกิดจากการรวมนิ่งเด่นของจิตเช่นเฝ้าตามลมหายใจกระทั่งกระแสจิตไม่พล่านไปที่อื่น จะถูกดึงดูดให้แนบสนิทกับอารมณ์ใหญ่ที่เป็นหนึ่งเดียวเช่นนั้นเป็นปีติจะปรากฏเป็นความทราบซ่านในรถวิเวกของจิตเองแต่สำหรับปีติที่เกิดจากการพิจารณาธรรมยกตัวอย่างเช่นเห็นชัดบ่อยว่าความฟุ้งเหมนะละลอกคลื่นที่มีจังหวะอัดมีจังหวะคลาย ถ้าเราเฝ้ารู้เหมือนคลื่อนลมไร้ตัวตนพักหนึ่งเห็นแต่คลื่นเกิดเห็นแต่คลื่นดับไม่เห็นตัวตนอยู่ในระหว่างคลื่นกับความดับเหล่านั้นแล้วจิตสงบลงตั้งมั่นเบิกบานไม่มีประมาณโดยปราศจากการถูกถวงด้วยอารมณ์ใดๆเทียบกับองฌานคือมีปิติสุขโดยปราศจากวิตตกและวิจาร บางเกิดปิติอย่างใหญ่หลวงและตั้งมั่นอยู่นานต่างจากปิติสามัญที่วูบวาบแบบไฟในฟางต่างจากปิติในภูมิสมถะที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเห็นไตรลักษณ์ปิติอันเป็นวิปัสสโนกิกเลสจึงทำให้ไข้เขวหลงเข้าใจได้เช่นกันว่านี่คือมรรคผลเพราะเบาโล่งไปหมด ที่เหลือเห็นเด่นก็มีแต่ความปรีดาประโมทในธรรมเมื่อเข้าใจ เ, เช่นนี้ก็จดจำเฉพาะลักษณะของปิติดังกล่าวพยายามเข้าหาบ่อยๆปฏิบัติภาวนาแม้เห็นความเกิดดับก็เพื่อไปหยุดไปจ่อยอยู่กับมหาติติไม่ใช่ปฏิบัติโดยอาการสักแต่ว่ารู้ไปเรื่อยๆสำหรับผู้ที่ศึกษาเวทนานุปัสนาอย่างดี จะติดโจทย์แตกได้ไม่ยากคือพิจารณาว่านี่คือสุขเวทนาอันเกิดแต่สัมปชัญญะเป็นสุขเวทนาอันไร้เหยื่อล่อแบบโลกโลกเอาไว้ให้พิจารณาว่าเกิดขึ้นเพราะมีเหตุดับลงเพราะขาดเหตุคือเมื่อไรหยุดกําหนดสภาวะธรรมก็ไม่มีสุขเวทนาเช่นนี้อีกนอกจากนั้นยังอาจลดระดับ คุณค่าของมหาปิติเสียด้วยการเทียบเคียงว่าเป็นแค่เวทนาชนิดหนึ่งดีกว่าสุขเวทนาอันเจือด้วยอานิตรมความประณีตแต่ที่สุดแล้วก็ศัก์แต่เป็นเวทนาอยู่ดีไม่มีค่ายิ่งกว่านั้นเมื่อพิจารณาทบทวนจนเห็นแจ้งออกมาในลักษณะประจักษ์รู้โดยศัก์แต่เป็นสภาวะอย่างแท้จริงก็จะรู้สึกว่าหลุดจากความติดใจเสียได้ ขอเน้นไว้เป็นพิเศษว่าการพิจารณาเวทนานั้นไม่ใช่ให้ทําลายเวทนาเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดปิติก็อย่าเห็นปิติเป็นโทษอย่าตั้งแง่รังเกยียจว่าเป็นอันตรายอย่าบังคับตัวเองให้ทําจิตเป็นอุเบกขาสิเดี๋ y นั้นแต่ ลอยให้ปิติทรงภาวะอย่างเป็นอิสระตามจริงแล้วค่อยเห็นตามจริงเช่นปิติไม่เที่ยงปิติเกิดเพราะเหตุนี้ดับลงเพราะเหตุหมดข้อ3ปัสธิคือความสงบกายและจิตปกติคนเราจะมีจังหวะสบายใจที่รู้สึกอยากอยู่นิ่งๆกายมีความอ่อนสลวย และอยู่ในภาวะพักสงบสนิทนานยิ่งถ้าหากว่าทำสมาธิจนกระทั่งจิตหมดความฟุง้งอันเป็นเหตุแห่งความกระสับกระส่ายทางกายเช่นในอนาปานสติสูตรคือขั้นที่กายสังขารระงับ ก, ก็จะยิ่งเงานิ่งราวกับแผ่นน้ำเรียบยามไร้ลมผ่านแต่ความสงบกายสงบใจในะระดับของวิปัสสนานั้น เลื่อนขั้นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเช่นเมื่อพิจารณากายโดยความเป็นธาตุไม่เห็นความมีตัวตนเลยหลือแต่ความรู้ชัดว่าแข็งในกายคือความแข็งในกายก็ไม่แตกต่างจากความแข็งของวัตถุอื่นภายนอกความเอิบอาบในกายก็ไม่ต่างจากความเอิบอาบของเหลวอื่นภายนอก ความอุ่นในกายก็ไม่ต่างจากความอุ่นของไอร้อนอื่นภายนอกความพัดไหวในกายก็ไม่ต่างจากความพัดไหวของคลื่นลมภายนอกที่ตรงระหว่างกลางแห่งธาตุทั้งหลายนั่นเองเหลือธรรมชาติรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเสมอกันหาได้เป็นตัวเราเขาหาได้เป็นหญิง ชายตรงนั้นเองจะบังเกิดความสงบพล้ำลึกอีกประการหนึง่งเรากับทั้งโลกไม่มีอะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าอย่างสนิทความว่างความสงบสนิทนี้เองเป็นหนึ่งในลักษณะของนิพพานจึงถูกเข้าใจว่านั่นคือการเห็นนิพพานได้เหมือนกันทั้งที่จริงแล้วยังห่างอยู่มาก เนื่องจากความสงบของนิพพานแท้นั้นคือสงบจากรูปนามทีเดียวไม่ใช่แค่สงบจากอาการที่รูปนามรู้รู้ว่าเป็นทาเสมอกัน บางคนก็ติดใจในสภาพจิตนิ่มๆนิ่งๆอย่างนั้นเป็นผู้ชำานาญในการพิจารณาโทสะว่าเกิดขึ้นแล้วย่อมดับลงร้อนแล้วย่อมกลับเย็นเป็นธรรมดากระทั่งพัฒนาตัวเองเป็นคนอารมณ์เย็นและตั้งจิตไว้ที่สภาพอันเย็นนั้นเมื่อเกิดอารมณ์กระทบใดๆก็จะน้อมนึกโดยอัตโนมัติว่าเย็นดีกว่าร้อน อย่างนี้แม้ความเกิดดับของสภาวธรรมเช่นโทสะจริงก็ไม่ใช่ความเห็นด้วยสติอย่างเป็นกลางทว่าเจืออยู่ด้วยความติดใจสภาพที่เห็นว่าดีกว่าประนีตกว่าโทสะเรียกว่ายังติดดีจึงไม่หลุดจากความยึดมั่นถือมั่นเด็ดขาดเราจะหลุดจากความคิดในปัสทิได้ก็ด้วยการพิจารณาว่า เป็นสุขเวทนาชนิดหนึง่งเช่นเดียวกับที่กล่าวแล้วในข้อก่อนข้อสี่สุขคือความสงบกายสบายจิตสำหรับงานสมถะนั้นเราอาจสงบลึกซึ้งรู้สึกถึงกระแส ส, สุขที่แผ่ขยายออกกว้างขวางราวกับเห็นอีกกระนาบขอบฟ้าหนึ่งในนครเทวดา ความสุขอันเกิดจากจิตตั้งมั่นนั้นอยังเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสุขที่เกิดจากการที่จิตเริ่มเป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งใดสิ่งหนึง่งเป็นตัวเป็นตนเปรยไปเหมือนนักโทษผู้ที่ถูกผู้คุบคุมเขาปล่อยให้ออกมาสูดอากาศนอกกรงขังเป็นบางคราวบางเวลาย่อมเกิดความเช่นใจกับอิสระภาพเล็กๆนน้อยนั้น แต่หากกลัวเขาปล่อยออกมาสู่กลิ่นอิสรภาพถาวร น, นอกกำแพงคุกย่อมเกิดความเชื่นใจชนิดกระเตือรือร้นมากขึ้นเป็นพิเศษความสุขชนิดนี้เองเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เข้าใจติดได้หากเป็นโลกของรูปธรรมเช่นที่อุปมามาเหมือนคนคุก น, นั้น ก็ยังได้สติรู้ง่ายๆว่าเราแค่ดีใจเพราะว่ากำลังจะพ้นโทษยังไม่ได้พ้นโทษจริงแต่อย่างใดทว่าเมื่อเป็นโลกของนามธรรมเมื่อจิตเริ่มเป็นอิสระมองอะไรไม่น่ายึดมั่นถือมั่นไปหมดเกิดความสุขจากการแตะแตะต้องต้องรสอิสระเช่นนั้นแล้วก็นึกถึงนี่เองเป็นมักผล ทั้งที่จริงก็แค่สุขจากการปฏิบัติอย่างนึงซึ่งจะหลุดจากความติดสุขชนิดนี้ได้ก็ด้วยการพิจารณาโดยความเป็นเวทนาเหมือนกับข้อก่อนๆข้อสนะี่ญาณะคือความรู้หมายถึงความอย่างเข้าไปเห็นธาตุเห็นธรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกตามเป็นจริงเช่น รู้กายสัตวะว่าเป็นาธาตุธาตุนั้นประชุมประกอบกันอยู่เพราะยังมีวิญญาณครองเมื่อเกิดผัสสะกระทบใดๆขึ้นก็ย่อมเป็นที่มาของเวทนาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างตามเหตุปัจจัยของผัสสะนั้นๆหาตัวตนใดๆในาธาตุและเวทนาอันเกิดจากาธาตุไม่ได้ความรู้แจ้งแทงตลอดกับความปล่อยวางนั้น อาจมาด้วยกันก็ได้หรืออาจแยกเป็นต่างหากกันก็ได้บางคนเข้าชานได้เป็นปกติก็มีจิตคิดตั้งมั่นเห็นอะไรละเอียดลึกซึ้งไปหมดเช่นพอพิจารณากายโดยความเป็นธาตุใช้จิตอันสงบนั้นจุดแสงขึ้นภายในเหมือนคนเปิดสวิตไฟในห้องเห็นกายกระจางตลอดทั่ว ตอนแรกพิจารณาโดยสักแต่เป็นวัตถุให้รู้ให้ดูเหมือนว่ากับวัตถุอื่นนอกตัวแต่พอทําทําไปเกิดความเห็ น, นกลไกในกายละเอียดอ่อนซับซ้อนขึ้นมาจิตก็เปลี่ยนจากอาการสักแต่ดูโดยความเป็นธาตุแล่นเรื่อยไปดูความสนใจว่ากายทำงานอย่างไรเราเป็นโรคอะไรอยู่บ้าง มีความผิดปกติที่จุดไหนตำแหน่งใดบางทีถึงขั้นรู้ว่ามีอาการทางกายแบบนี้เพราะถูกคุมอยู่ด้วยวิบากกรรมประเภทใดนี่ก็คือกลายเป็นความรู้ของเราร่างกายของเราใชแล้วจิตที่ยังมีกิเลสแฝงย่อมเผลอไปไววไม่ทันและเมื่อเพลิดเพลินกับความอย่างรู้พิเศษที่เกิดขึ้นจะเอาลักษณะรู้แบบ สักแต่เห็นมาแต่ไหนในที่สุดก็หลงค้นหลงคว้าหลงสะสมความรู้ไม่แตกต่างจากนักวิทยาศาสตร์ในโลกกับทั้งเกิดอัตตาที่ยิ่งกว่านักวิทยาศาสตร์ตรงความรู้จริงเหนือกว่าคนอื่น